แต่วิธีปฏิบัติแท่งเอาปัจจุบันตอนนี้ย้อนอดีตกันละต้องย้อนอดีตรู้หนอรู้หนออ๋อรู้แล้ว ต, ตอนอยู่มันยอมสาไปหักคอนกบอกเป็นเป๊เป็นช่องช่องไปเลยชอบอกเป็นช่องทำต้องตายแน่นอนสติจะมาบอกเลย ว, ว่าที่ยังสี่สิบห้าติตุลาสองพนันท่านไม่ฟุ องตายตามสัญญาเขาไม่รู้ไม่เชียงเรื่องเลื่องเลี้ย ง, งหลายแต่เราเลยกันไปเลยหญ้าป่าคออบพิงที่กมุนเพราะฉะนั้นขอแนะแนวทางท่านทั้งหลายจะว่ายากาก็ไม่ใช่จะว่าง่ายก็ไม่ใช่แต่เราทำได้ทำได้แล้วมันง่ายยายอัตมาเนี่ยพูดก็อัตมามาเป็นเด็กยายบอกยากแท้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 ถึง่ยบอกว่าวิธีแก้จิตมันตกหรือผ่านไปไปครา้งอดีตต้องให้กำหนดว่ารู้หนอรู้หนอจะได้ไม่ประมาทไม่ประมาทไม่พลาอีกต่อไปเท่านั้นแต่เรารู้อะไรไม่ได้เนี่ยเรากำหนดวิธีแก้ปัญหาชัดเจนเลย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 อยู่แผนที่โลกพรั่งยอมรับ๋ยวพรั่งสวดภาวนาแา้วแล้วยอมรับอีกสองข้อจากคนเครียดกระโลกประชาทพรั่งเขาบอกนั่งสมาธิไม่ได้แต่พระที่ส่งไปเมืองไทยบอกนั่งได้ฝรั่งไม่เชื่อคนที่เครียดกับโลกประชาทนั่งไม่ได้เลยเลือดลมไม่ดีนั่งไม่ได้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 ฟังไม่ชัดแล้วเอาหูออกไปข้างนอกเนาแล้วก็หูข้างนอกฟังไม่ชัดโนดนออกไปหนนเอเชียหนอะผมไม่ใช่มะไม่ใช่อย่างนี้ถ้ายืนหนอห้าครั้งไม่ได้ทาไม่ได้เสียงหนอกี่ร้อยกี่ครั้งก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลแล้วไ <c oughs> อจิตพัดสอนเนี่ย เรามีมันต่แต่คลอดมาจากท้องข้ามมันดาเนี่ยเขาเรียกจิตประพัดสอนสะอาดหมดจดแต่แล้วเรามาครุกฝุ่นในตอนโตเลยก็มีมัวหมองตลอดที่เรกมีตอนโตตอนเราเป็นเด็กเนี่ยคลอดมาจากท้องข้ามมันดาเนี่ยประพัดสอนสะอาดหมดจดจดิตบริสุทธิ์แต่แล้วโตขึ้นไปก็สะสมบันทึกเทปเข้ามาจึงไม่บริสุทธิ์ เราต้องต้องฝึกกันใหม่ให้จิตประพัสสอนให้ได้ถ้าจิตไม่ประพัสสอนทำอะไรไม่ได้เลยนะไปทำตามอารมณ์ส่วนมากจะทำตามอารมณ์แล้วตลอดอารมณ์ไม่ดีก็ทำไปทางไม่ดีหมดท่านพุทมุนีจำไว้ถ้าอารมณ์ดีนะดีหมดคนเคล็ดดีหมดเพลงเพราะหมดถ้าอรมไม่ดีเพลงไม่เพราะเลยลองถึก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 มโมดโกาที่จะดีได้จิตคิดจะไปห้ามมหระมันจะไปไหนรู้ไหมแล้วบางทีเนี่ยพองหนอยุหนอมาทีขวาย่างหนอเดินชักเพลินเลยจิตออกไปซะเยอะไม่รู้เลยเอาไปคิดเรื่องอะไร้ะต้องนานยังไม่รู้อยู่เนี่ยยังเดินขวาย่งาง้ชยอย่างเดินด้วยความชนานาญเดินด้วยความํานาญแท้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 แต่ไม่ใช่มันนั่งจับมันนั่งดูท้องลองหนอรยกหนอจิตมึงออกไปแล้วยังหนอไม่ใช่อย่างนี้ไง <c oughs> มึงจะออกมึงบอกกูก่อนหนอมันบอกเราอะไรอห่ะมันมีตัวตนเหรอมันมีตัวตนเหรอมั้ <c oughs> บางทีเราพองเนอะยกหนอเคลินจิตไปคิด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 คิดต้องหลายอย่างคิดอย่างนี้เราไม่รู้เลยว่ามันออกไปยังไงคิดต้องหลายเรื่องวิธีปฏิบัติให้ให้ยใจยาวๆแล้วกําหนดรู้หนอใหายใจยาวๆไหมพองยุบหยุดไปก่อนใหายใจยาวๆแล้วกําหนดรู้หนอรู้หนอหลายๆครั้งจนจิตเข้าสู่ที่และสติเข้าสู่จุด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 ปวดน่นองปวดน้องอะไรจะหมดเวลาทันที น, อน่องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตไม่ไปอุปาทานอึดต่อไปไปนาดีจางทุกขังหน้าตาโดยขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจิตก็ไม่เป็นกังวลและไม่เป็นอุปาทานยึดมันจึงไม่ปวดแต่ที่แรกต้องปวดเนี่ยบางคนบอกหลวงพ่อฉันกลับแล้ว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 หนีก็มีโอ้กราบเนี้ยมาทรมานทำไมไอ้มารร้ายคือตัวศัตรูความดีเป็นศัตรูของชีวิต้องนอ้อยยุบหนอไอศัตรูมาแล้วศัตรูมาเนี้ยมากระซิบที่หูเนี้ยอยู่ที่บ้านสบายด็อกเตอร์ลยาย้ายมาทำไมมานั่งทรมานทำไมนี่ศัตรูปล่าฮ เราต้องฆ่าศัตรูให้ตายฆ่าศัตรูด้วยอะไรฆ่าศัตรูด้วยอะไรกระตีแรต้องอดทนต่อสู้กับศัตรูให้จุได้ไปนั่งทายเหูอมาข้างหน้ามาใหญ่จะถามมั่งไปหลบไปอยู่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 ญาณังของการกรรมฐานญาณังแปลว่ารู้ในส่วนลึกของปัญญารู้ในการรอบรู้ในกองการชั้งขานอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้ขาดทิฐิก็ได้มีชอบจะได้ประกอบกุศนได้ผลนานเป็นหลักฐานนั่นเองบางคนเนี่เข้าใจผิดเอ๊จะไปนั่งให้สบายสักห้าหกวันพอมาหลอกพ่อฉันอยู่สักเดือนนะ่ะเอาเลยให้สองเดือน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 เขาไม่ปวดเมื่อยเลยเขานั่งเฉยไม่ปวดไม่เมื่อยและชิดไม่ออกเลยดีมากคนละเรื่องกันไม่ใช่เรียนหนังสือนั่งไม่มีผลงานเลยสอบตกถ้าบอกคิดมันก็่เปล่าไม่ได้คิดเลยโกหกจีเป็นธรรมชาติตรงคิดอ่านอารมณ์รับรู้เรื่นเวนานามเทพปเฉี่ย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 พอยัดไชารู้จักเรียกยัติชายหมเนยรู้จักยัติชามัหมมาจะกราบบไปตั้งแต่ต้นจนอวสานเสกแล้วเมตตันจะสัพเะิ่งจะมิ่งมาสัมผาเยปริมาณนางเมตตาคุณนางหลังเมตตาเมตตาคุณนางหลังเมตตาเท่านี้แต่ขอให้เรามีจิตเมตตา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 พวกพนักงานพวกเจ้าหน้าที่ลูกศิษย์หน้าห้องมาหน้ากรรมฐานแยกกลราไปทํางานสายเราไปทํางานสายที่กรมที่ดินอสิริเกรวิลิศริษท่านก็บอกเอ๊ะทําไมมาทํางานสายอ่ะมาตจนสี 4, 5, 5, 5, ่โมงห้าโมงดิฉันไปหน้ากรรมฐานที่ไหนวัดภูวันเชิมบุรีเอ๊ะ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 สร้างวางให้ในหลวงเลยก็กรมที่ดินมาอบรมหลายหลายรายการแต่นวิเชีย น, นเป็นยังเป็นหูหน้าเล็นน้อยมาเป็นที่ผู้บริการจังหวัดอุทัยยาจากอุทัยเป็นอาชีบดีเลยกรมที่ดินเลยเหงอยู่มั้ยนยวิเชียนและตอนที่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 นี่เวลามูสิกระโปรงให้ช่วยเพราะดูแลดูแลกรมที่ดินด้วยนี่แหละสายพันพันติดเชื้อมาอย่างนี้นเราจะทิ้งกันได้เหรอต้องช่วยกันตลอดไปมา่านไปรัฐมนตรีเนี่ยท่านช่วยอาชีบดีว้ให้อยู่เป็นแปปีใช่ไหมแ ป, ปดปีแล้วย้ายมาเป็นอาชีบดีกรมแรงงานกระทรวงมาธนเนีย่ยขอฝาก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 เป็นฝรั่งหรือเป็นลายเป็นคนที่พิการนั่งไม่ได้ให้หนักวิชาทำได้ถัพพิการอีกเป็นอัมพาตนอนทำได้นอนทำได้ด้วยของหนอรุปหนอทำได้ไหมได้ให้ทำก็สาเร็จมากคนมิจฉาแต่แลร ว, วงจรตั้งสี่ก้อง่ายขึ้นแต่บางคนแค่ปวดหนอเนียพวกบาเลีเนี่ยหายเลยมิจมาเลย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 โกรธเนอโกรธหนาะ ห, หายใจยาวๆโกรธตัวนี้มันดับแล้วว่าโกรธหนอไม่โกรธอีกดับจะรู้ไปโกรธทำไมมันเป็นทิฏฐิภัยต่อเราเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดดับอย่างถ้าเรามีสติพอเนะี่ยมันจะดับโกรธได้ชัดเจนมาก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 เดินจงกรมมีสติสัมมาดีเองยุบจะเห็นชัดขึ้นถ้าไม่แก้ือการไปเดินจงกรมมันก็ไม่เห็นเนี่ยกพองหนอยุบน้อยพองยังไม่ทันหนอยุบยุบยังไม่ทันหนอพองขึ้นอีกก็หายใจให้ยาวก่อนที่จะพองหนอยุบน้อยี่ยเราจะไปสอนเด็กเนี่ยหายใจยาวๆก่อนจะยาวๆยาวไว้หนึ่ง